เดราชานคาถาสมัยนั้นสกุลุทายีปริพาชกกำลังนั่งอยู่กับปริพาชกบริษัทหมูใหญ่ผู้กำลังสนทนาถึงเดราชานคาถาต่างๆด้วยเสียงดังอื้ออ่นคือพูดเรื่องพระราชาเรื่องโจรละถึงเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นอย่างนั้นสกุลุทายีปริพาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกล จึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงนี้คือพระสมณโคดมกําลังเสด็จมาพระองค์โปรดเสียงเบาทรงแนะนําให้พูดกันเบาๆตรสัสรนเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีพระองค์ทรงทราบว่าบริษัทเสียงเบาพระองค์อาจจะเสด็จเข้ามาหาก็ได้ ลำดับนั้นปริพาชกเหล่านั้นจึงได้พากันนิ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จเข้าไปหาสกุลุทายีถึงที่อยู่สกุลุทายีปริพาชกทูลเชื้อเชิญพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคจงเสด็จเข้ามาเถิดขอต้อนรับเสด็จนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาที่นี้ ขอเชิญพระผู้มีพระภาคประทับนั่งเถิดอานะนี้ปูลาดไว้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงประทับนั่งบนพุทธาอ่าที่ปูราดไว้แล้วแม้สกุลุทายีปริพาชกก็เลือกนั่งหน้าที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามสกุลุทายีปริพาชกว่าอุทายีบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร และเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้สกุลุทายีปริพาโชกทุนตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ของงดไว้ก่อนเถิดเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคจะทรงสดับได้ในภายหลังโดยไม่ยากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าไปยังบริษัทนี้ บริษัทนี้ก็จะนั่งสนทนากันแต่เดรัจฉานคาถาต่างๆแต่ในเวลาที่ข้าพระองค์เข้าไปยังบริษัทนี้บริษัทนี้ก็นั่งมองดูแต่หน้าของข้าพระองค์ด้วยความประสงค์ว่าสมณะอุทายีจะกล่าวทาใดแก่พวกเราพวกเราจะฟังธทมนั้นและในเวลาที่พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามายัางบริษัทนี้ทั้งข้าพระองค์และบริษัทนี้ ก็นั่งมองดูพระพักของพระผู้มีพระภาคด้วยความประสงค์ว่าพระผู้มีพระภาคจกตรัสธรรมใ ด, ดแก่พวกเราพวกเราจกฟังธรรมนั้นขันส่วนอดีตและขันส่วนอนาคต พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีถ้าเช่นนั้นท่านจงตั้งปัญหาซึ่งจะเป็นเหตุให้เราแสดงธรรมในบริษัทนี้เถิดสกุลุทายีปริพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันก่อนๆท่านผู้เป็นสัพพันย์อยู่มีปกติเห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาทณทัศนอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปท่านผู้นั้นถูกข้าพระองค์ถามปัญหาปรารบขันส่วนอดีตก็นําเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนถลายไปพูดนอกเรื่องทั้งทําความโกรธความประทุษร้ายและความไม่พอใจให้ปรากฏข้าพระองค์นั้นระลึกถึงพระผู้มีพระภาคว่าผู้ฉลาดในธรรมเหล่านี้ต้องเป็นพระผู้มีพระภาคแน่นอนต้องเป็นพระสุคตแน่นอน ท่านผู้เป็นสัพพัญยูมีปกติเห็นธรรมทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ญาณทัศนะจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปที่ถูกท่านถามปัญหาปรากฏขันส่วนอดีตก็นําเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนถลายไปพูดนอกเรื่องทั้งทําความโกรธความประทุษร้ายและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นใครเล่า นิคร น, นาตบุตรพระพุทธเจ้าค่ะผู้ใดระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ผู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันส่วนอดีตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันส่วนอดีตกับผู้นั้น ผู้นั้นจะทําให้เรายินดีด้วยการต่อปัญหาปรารภขันส่วนอดีตหรือเราจะพึงทําจิตของผู้นั้นให้ยินดีด้วยการต่อปัญหาปรารภขันส่วนอดีตผู้ใดพึงเห็นหมูสัตว์ผู้กําลังจุติกําลังเกิดทั้งชั้นต่ําและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ผ e ู้นั้นควรถามปัญหาปรารภขันส่วนอนาคตกับเราหรือเราควรถามปัญหาปรารภขันส่วนอนาคตกับผู้นั้นผู้นั้นทำให้เรายินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันส่วนอนาคตหรือเราพึงยังจิตของผู้นั้นให้ยินดีด้วยการตอบปัญหาปรารภขันส่วนอนาคตอุทายีจงงดขันส่วนอดีตและขันส่วนอนาคตไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่ท่านว่า เมื่อเหตุนี้มีผลนี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผลนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผลนี้จึงไม่มีเพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาตินี้ที่ปรากฏแก่ข้าพระองค์โดยอัตภาพนี้พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติข้าพระองค์ยังไม่สามารถจะระลึกได้เลยฉไหนเลยจกระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ หนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างและถึงระลึกถึงชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เหมือนพระผู้มีพระภาคเล่าบัดนี้แม้แต่ปีศาจเล่นฝุ่นข้าพระองค์ก็ยังไม่เคยเห็นเลยฉะไหนเลยจะเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์จักรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเล่าคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสกับข้าพระองค์อย่างนี้ว่าอุทายีจงงดขันส่วนอดีตและขันส่วนอนาคตไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่ท่านว่าเมื่อเหตุนี้มีผล น, นี้จึงมีเพราะเหตุนี้เกิดผล น, นี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ไม่มีผล น, นี้จึงไม่มี เพราะเหตุนี้ดับผลนี้จึงดับจะปรากฏแก่ข่าพระองค์โดยประมาณยิ่งยิ่งขึ้นไปข้อหาใหม่ฉนันข่าพระองค์จึงจะทำให้พระผู้มีพระภาคทรงยินดีด้วยการตอบปัญหาในลัทธิอาจารย์ของตนได้เล่า เรื่องวันณะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุทายีในลัตที่อาจารย์ของตนท่านมีความเห็นว่าอย่างไรสกุลุทายีปริภาชกทุนตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลัตที่อาจารย์ของตนข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นวันะสูงสุดนี้เป็นวรณะสูงสุดในลัตที่อาจารย์ของตนท่านมีความเห็นอย่างนี้ว่านี้เป็นวรณะสูงสุด นี้เป็นวันะสูงสุดวันะสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรวันะใดไม่มีวันะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีกว่าวันะนั้นเป็นวันะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะวันะใดไม่มีวันะอื่นยิ่งกว่าหรือประนีกว่าวันะนั้นเป็นวันะไหนเล่าวันะใดไม่มีวันะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีกว่าวันะนั้นเป็นวรนะสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะ ท่านกล่าวแต่เพียงว่าวันณะใดไม่มีวันณะเอื่นยิ่งกว่าหรือปราณีกว่าวันณะนั้นเป็นวันณะสูงสุดคําที่ท่านกล่าวนั้นพึงขยายความได้อย่างยืดยาวแต่ท่านไม่ชี้วันณะนั้นให้ชัดเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารพถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่าเราปรารถนารักใคร่หญิงงามแห่งชนบทนี้คนจะถามเขาว่าพ่อคุณเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่าเป็นนางกษัตริย์ นางพรามณีนางแพทย์หรือนางสูตรเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่าเธอรู้จักหญิงคนนั้นหรือว่ามีชื่อตระกูลสูงต่ำสันทัดดำคล้ำหรือผิวเหลืองอยู่ในหมู่บ้านนิคมหรือเมืองโน้นเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่ายังไม่รู้จักจะถูกถามต่อไปว่า เธอปรารถนารักใคร่หญิงที่ยังไม่รู้จักทั้งไม่เคยเห็นอย่างนั้นหรือเมื่อถูกถามอย่างนี้เขาจะตอบว่าใช่ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นจะถือว่าเลื่อนลอยมิใช่หรือเมื่อเป็นเช่นนี้คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีท่านก็อ ย, อย่างนั้นเหมือนกันกล่าวอยู่แต่เพียงว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันณะใดไม่มีวันณะอื่นยิ่งกว่าหรือประนีตกว่าวันณะนั้นเป็นวรนณะสูงสุดแต่ไม่ได้ชี้วันณะนั้นให้ชัดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรไนดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมาแม้ฉันใด อัตตาก็มีวันณนะแสงสว่างก็ฉันนั้นเหมือนกันหลังจากตายไปย่อมเป็นของย่างยืนอุทายีท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแก้วไพยทูลอันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรไนดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่งแสงสว่างเป็นประกายออกมากะพิงห้อยในราตรีที่มีเดือนมืด บรรดาวันนะทั้งสองนี้วันนะไหนจะส่องสว่างกว่าและประนีตกว่ากันค้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาวรรณะทั้งสองนี้หิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดนี้ย่อมส่องสว่างกว่าและประนีตกว่าท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นว่ายอย่างไรหิ่งห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดกับประทีบน้ามันในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวั น, นทั้งสองนี้ วันณ์ไหนจะส่องสว่างกว่าและประนีกว่ากันบรรดาวันณะทั้งสองนี้ประทีบน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดส่องสว่างกว่าและประนีกว่าพระพุทธเจ้าค่าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรประทีบน้ำมันในราตรีที่มีเดือนมืดกับกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประนีกว่ากัน บรรดาวันนะทั้งสองนี้กองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดส่งสว่างกว่าและประณีดกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดกับดาวสุกในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งบรรดาวันนะทั้งสองนี้วันนะไหนจะส่งสว่างกว่าและประณีดกว่ากัน บรรดาวันนะทั้งสองนี้ดาวสุกในนภาอากาศอันกระจางปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งทรงสว่างกว่าและประนีตกว่าพระพุทธเจ้าค่าท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรดาวสุกในนภาอากาศอันกระจางปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งกับดวงจันเวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้นห้าค่ำ บรรดาวันนาทั้งสองนี้วันณะไหนจะทรงสว่างกว่าและประณีดกว่ากันบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้นสิห้าค่ำจะทรงสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรดวงจันทร์ในเวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถขึ้น15บหาคำ่ำกับดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงในนภาากาศอันกระจายปราศจากเมฆในศาสตรการเดือนท้ายแห่งฤดูฝนบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่ากันบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ดวงอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงอันกระจายปราศจากเมฆในศาสตรการเดือนท้ายแห่งฤดูฝน จะส่องสว่างกว่าและประณีตกว่าพระพุทธเจ้าข้าเทวดาเหล่าใดไม่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เทวดาเหล่านั้นมีมากมีมากยิ่งกว่าเหล่าเทวดาที่อาศัยแสงดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เรารู้ทั่วถึงเทวดาเหล่านั้นแต่เราก็ไม่กล่าวว่าเป็นวันนันที่ไม่มีวันนันอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าส่วนท่านกล่าวว่า วันละที่เลวกว่าและเศร้ามองกว่าหิ่งห้อยเป็นวันณะสูงสุดแต่ท่านไม่ชี้วันณะนั้นให้ชัดพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียจแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียจแล้วพระพุทธเจ้าค่าอุทายีทําไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียจแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียจแล้วเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในลทัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าวันนี้เป็นวณะสูงสุดวันนี้เป็นวั น, นสูงสุ ด, นนนนนสสดข้าพระองค์เหล่านั้นเมื่อถูกพระผู้มีพระภาคสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงในลทัทธิอาจารย์ของตนจึงกลายเป็นคนว่างเป็นคนเปล่าผิดไปหมด ปัญหาเรื่องโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวอุทายีโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทําให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลทัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกมีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทําให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทําให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ละเว้นขาจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์ละเว้นขาจากอถินนาทานการลักทรัพย์ละเว้นขาจากกาเมสุมิชาอาจารการประพฤติผิดในกลางละเว้นขาจากมุสาวาทการพูดเท็จ สมาทานคุณคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งประพฤติอยู่นี้แหละเป็นข้อปฏิบัตินั้นที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าค้าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลละเว้นขาดจากปานาติบาตอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกบ้างมีสุขบ้างมีทุกบ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร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 ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลละเว้นข่าจากมุสาวาตอัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกบ้างมีสุขบ้างมีทุกบ้างพระพุทธเจ้าข้าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรในเวลาที่บุคคลสมาทานคุณคือตบะอย่างใดอย่างหนึ่งประพฤติอยู่อัตตามีสุขโดยส่วนเดียวหรือมีสุขบ้างมีทุกบ้าง มีสุขบ้างมีทุกบ้างพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรการจะอาศัยข้อปฏิบัติอันมีทั้งสุขและทุกข์แล้วทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่บ้างไหมพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีทาไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงหักล้างเรื่องนี้เสียแล้ว พระสุคตทรงหักล้างเรื่องนี้เสร็จแล้วเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในลทัทธิอาจารย์ของตนข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่ข้าพระองค์เหล่านั้นเมื่อถูกพระผู้มีพระภาคสอบสวนซักไซ่ไล่เลียงในลทัทธิอาจารย์ของตนก็เป็นคนว่างเป็นคนเปล่า เป็นคนผิดไปหมดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรือข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่หรืออุทายีโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวมีอยู่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวก็มีอยู่ ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะอุทายีภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอุปสนธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุ ป, มรรปลธมฌานอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานอยู่เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานอยู่นี้แลเป็นข้อปฏิบัตินั้นที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อปฏิบัติที่ตรัสตอบมิใช่ข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้เพราะโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวบุคคลทำให้แจ้งชัดด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้อุทายีโลกมีสุขโดยส่วนเดียว บุคคลไม่อาจทำให้แจ้งด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แต่ข้อปฏิบัตินั้นเป็นข้อปฏิบัติที่มีเหตุเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้แน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วบริษัทของสกุลุทายีปริภาชกได้บรรลือเสียงอื้อเอิขึ้นว่าพวกเราพร้อมทั้งอาจารย์ยังไม่พอใจในเหตุนี้พวกเราพร้อมทั้งอาจารย์ใใรราารยังไม่พอใจในเหตุนี้ พวกเรายังไม่รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติที่ยิ่งไปกว่านี้ลำดับนั้นสักกุลุธายีปริภาชกห้ามปริภาชกเหล่านั้นให้เงียบเสียงแล้วเด้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุนั้นจึงจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวไดอุทายีเพราะละสุขและทุกข์ได เพราะสมนัตและโทมนัตดับไปก่อนภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจจตุธฌานอยู่ยืนสนทนาปราศัยกันกับเทวดาทั้งหลายผู้เข้าถึงโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวเหล่านั้นอุทายีด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุนั้นจึงจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาค คงมุ่งจะทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนั้นเป็นแน่อุทายีไม่ใช่ภิกษุจะประพฤติพรหมจรรย์นในเราเพียงเพื่อทำให้แจ้งโลกที่มีสุขโดยส่วนเดียวนี้เท่านั้นแท้จริงยังมีธรรมอื่นที่ดีกว่าและประนีกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งธรรมที่ดีกว่าและประนีกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาค มุ่งจะทำให้แจ้งนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าค่าอุทายีตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณนะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคละถึง ภิกษุนั้นละนิวรหาประการนี้อันเป็นเหตุทำใจให้เศร้าหมองเป็นเครื่องบัณทรปัญญาได้แล้วเธอสงัดจากกรามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปถมฌานอยู่ธรรมนี้แลดีกว่าและประนีกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจาร์สงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌาน บรรลุตติยฌานบรรลุจจตุทฌานอยู่อุทายีทำนี้แลดีกว่าและประณีตกว่าที่ภิกษุประพฤทิพระมารย์นในเรามุ่งจะทำให้แจ้งวิชาสาม เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้ามองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสนุสติญาณระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงเธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ ทำนี้แลดีกว่าและประนีกว่าที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่วันไหวอ ย, อย่างนี้ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานเห็นหมูสัตว์ผู้ที่กาลังจุติกาลังเกิดทั้งชั้นต่าและชั้นสูง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 ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่ออาสวะคยญาณรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุก์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โรธโรคามินีปฏิปทานี้อาสวะนี้อาสวะสมุทัยนี้อาสวะนิโรดนี้อาสวะนิโรธาโรคามินีปฏิปทาเมื่อเธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภาวาสวะและอวิชชาสวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่โจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทำนี้แลดีกว่าและประนีกว่าที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์ในเรามุ่งจะทำให้แจ้งอุทายีทำเหล่านี้แลดีกว่าและประนีกว่า ที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นในเรามุ่งจะทำให้แจ้งสกุลุทายีปริพาชกขอบวชบเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสกุลุทายีปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู er 好好้เจริญพระพาสิทธิของพระองค์ช <IA> ัดเจนไพเราะยิ <paragraphs ood S 1> ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระภาสิทธิของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศทำแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปได้ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสระณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเถิดเมื่อสกุลุทายีปริพาชกกราบทูลอย่างนี้แล้วบริษัทของสกุลุทายีปริพาชกได้กล่าวห้ามสกุลุทายีปริพาชกว่าท่านอุทายี ท่านอย่าได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเลยท่านเป็นอาจารย์แล้วอย่ายอมเป็นสิทธิ์เลยอุปมาเหมือนเป็นขันน้ำแล้วจะลดฐานะลงเป็นจอกในขันน้ำแม้ฉันใดข้ออุปมายนี้ก็จะมีแก่ท่านอุทายีชั้นนั้นเหมือนกันท่านอย่าได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเลยท่านอุทายีท่านเป็นอาจารย์แล้วอย่ายอมเป็นสิทธิ์เลย เรื่องนี้เป็นอันุติได้ว่าบริษัทของสกุลุทายีปริภาชกได้ทำให้สกุลุทายีปริภาชกมีอุปสรรคต่อการประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจูละสกุลุทายิสูตรที่9จบ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 พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้เปล่งอุทานในสำนักพระผู้มีพระภาคว่านี้เป็นวันณะสูงสุดนี้เป็นวันณะสูงสุดทรงเปรียบเทียบวันณะสองอย่างพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ากัจจานะ ทำไมท่านจึงกล่าวอย่างนี้ว่านี right ้เป็นวันะสูงสุดนี้เป็นวันะสูงสุดวันะสูงสุดนั้นเป็นอย่างไรเวคณะสะปริภาชคทุนตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมวันะใดไม่มีวันะอื่นยิ่งกว่าหรือประนีกว่าวันะนั้นเป็นวันะสูงสุดวันะใดไม่มีวันะอื่นยิ่งกว่าหรือประนีกว่าวันะนั้นเป็นวันะไหนเล่า วันณใดไม่มีวันณอื่นยิ่งกว่าหรือประณีต ก, กว่าวันณ น, นั้นเป็นวันณสูงสุดพระพุทธเจ้าค่ะท่านกล่าวแต่เพียงว่าวันณใดไม่มีวันณอื่นยิ่งกว่าหรือประณีต ก, กว่าวันณ น, นั้นเป็นวันณสูงสุดคำที่ท่านกล่าวนั้นเพิ่งขยายความได้อย่างยืดยาวแต่ท่านไม่ชี้วันณนั้นให้ชัดเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งปรารบถึงหญิงสาวอย่างนี้ว่า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 คำพูดของชายผู้นั้นถือว่าเลื่อนลอยแน่นอนพระพุทธเจ้าค้ากัะจานะท่านก็อย่างนั้นเหมือนกันกล่าวอยู่แต่เพียงว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมวันณใดไม่มีวันณอื่นยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าวันณ น, นั้นเป็นวันณสูงสุดแต่ไม่ได้ชี้วันณ น, นั้นให้ชัดท่านพระโคโดมแก้วไพฑูรย์อันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายช่างเจรนยดีแล้ว ซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงสว่างเป็นประกายออกมาแม้ฉันใดอัตตาที่มีวันนะก็ฉันนั้นเหมือนกันหลังจากตายไปย่อมเป็นของยั่งยืนกัจจานะท่านเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรแก้วไพรทูลอันงามเกิดเองอย่างบริสุทธิ์แปดเหลี่ยมนายแช่งเจรนัยดีแล้วซึ่งเขาวางไว้ที่ผ้ากำพลเหลืองย่อมส่งแสงสว่างเป็นประกายออกมา กับหิงห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วรรณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประนีตกว่ากันบรรดาวรรณะทั้งสองนี้หิงห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดนี้ย่อมส่องสว่างกว่าและประนีดกว่าพระพุทธเจ้าค่ะท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรหิงห้อยในราตรีที่มีเดือนมืดกับประทีปน้ํามันในราตรีที่มีเดือนมืด บรรดาวันนาทั้งสองนี้วรรณะไหนจะทรงสว่างกว่าและประนีดกว่ากันบรรดาวรรณะทั้งสองนี้ประทีบน้ํามันในราตรีที่มีเดือนมืดทรงสว่างกว่าและประนีตกว่าพระพุทธเจ้าค่าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรประทีบน้ํามันในราตรีที่มีเดือนมืดกับกองไฟใหญ่ในราตรีที่มีเดือนมืดบรรดาวรรณะทั้งสองนี้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 วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประนีดกว่ากันบรรดาวันณ์ทั้งสองนี้ดาวสุกในนภากาศอันกระจางปราศจากเมกในเวลาใกล้รุ่งส่องสว่างกว่าและประนีตกว่าพระพุทธเจ้าข้าท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรดาวสุกในนภากาศอันกระจางปราศจากเมฆในเวลาใกล้รุ่งกับดวงจันเวลาที่ยงคืนตรง ในนภาอากาศอันกระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำบรรดาวันณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะทรงสว่างกว่าและประนีต ก, กว่ากันบรรดาวันณะทั้งสองนี้ดวงจันเวลาเที่ยงคืนตรงในนภาอากาศอันกระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้นสิบ้าค่ำนี้ทรงสว่างกว่าและประนีตกว่าพระพุทธเจ้าค่ะ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรดวงจันทร์เวลาเที่ยงคืนตรงในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในวันอุโบสถขึ้น15บห้าค่ำกับดวงอาทิตย์ในเวลาเที่ยงตรงในนภากาศอันกระจ่างปราศจากเมฆในศาธกาลเดือนท้ายแห่งฤดูฝนบรรดาวรรณะทั้งสองนี้วันณะไหนจะส่องสว่างกว่าและประหนี่กว่ากันข้าแต่ท่านพระโคโดม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 แต่เราก็ไม่กล่าวว่าเป็นวั น, นะที่ไม่มีวั น, นะอื่นยิ่งกว่าหรือประณีกว่าส่วนท่านกล่าวว่าวั น, นะที่เลวกว่าและเศร้ามองกว่าหิ่งห้อยนั้นเป็นวั น, นะที่สูงสุดแต่ท่านไม่ชี้วั น, นะนั้นให้ชัดกัจจานะกามคุณมีห้าประการกามคุณห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ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 สุกโสมมนัสที่อาศัยกามคุณห้าประการนี้เกิดขึ้นเราเรียกว่ากามสุขดังนั้นในกามและกามสุขนั้นเราจึงกล่าวกามสุขว่าเลิ่อกว่ากามทั้งหลายแต่กล่าวสุขอันเลิ่อกว่ากามว่าเลิ่อกว่ากามสุข